เลรอพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา บำเพ็ญความดีบำเพ็ญบุญกุศลที่จะทําให้จิตใจมีความสุขและมีความเจริญใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งอนืนใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะใจของเรานี้อยู่กับเราไปตลอดไปกับเราไปตลอด และเป็นใจและใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่ดับไม่หมดไปไม่เหมือนกับร่างกายที่เป็นสมบัติชั่วคราวของเราเราได้ร่างกายนี้มาเวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วพอออกคลอดออกมาเราก็จะริญเติบโต ด้วยอาหารด้วยน้ำด้วยอากาศสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเป็นธาตุคือเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมและธาตุไฟเมื่อเข้ามาในร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอาการ32เป็นผลเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟัน เป็นหนังเนื้อเอินกระดูกและอวัยวะต่างๆก็จะเจริญไปเรื่อยๆรับใดที่มีการเติมธาตุเข้าไปจับใดที่ยังมีการหายใจมีการรับประทานอาหารมีการดื่มน้ำอยู่ร่างกายนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปจนถึงขีดสูงสุด ที่เขาจ ะ, จะเจริญเติบโตได้ต่อจากนั้นเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนจากการจเจริญเป็นการเสรื่อมลงไปคนเราส่วนใหญ่ก็จ ะ, จะเจริญเต็มที่ในวัยประมาณ40ครึ่งทางพอหลังจากนั้นแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับขับรถขึ้นเขาพอถึงยอดเขาแล้วก็ต้อง วิ่งลงเขาร่างกายก็จะเริ่มวิ่งลงเขาจากอายุ40ไปนี้ก็จะเริ่มมีความเสื่อมมากกว่าความเจริญอายุ0ถึง40นี้จะมีความเจริญมากกว่าความเสื่อมร่างกายจึงจเจริญเติบโตแข็งแรงแต่พอผ่านอายุ40ไปแล้วความเจริญก็จะน้อยลงไป ความเสื่อมก็จะมีมากขึ้นร่างกายก็จะมีความอ่อนแอลงไปตามลำดับภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะน้อยลงไปอวัยวะต่างๆก็จะเสื่อมลงไปไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมา แล้วก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆจนถึงวาระสุดท้ายพอถึงวาระสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับธาตุต่างๆเข้าไปได้ลมก็เข้าไปไม่ได้อาหารก็เข้าไปไม่ได้น้ําก็เข้าไปไม่ได้เพราะมีแต่จะออกอย่างเดียวพอร่างกายไม่หายใจแล้ว ลมก็ไม่เข้าไปมีแต่ลมที่จะระเหยออกมาน้ำก็จะไหลออกมาเหลืออยู่แต่ดินคืออวัยวะที่แห้งกรอบแล้วก็กลายเป็นดินไปในที่สุด น, นี่คือเรื่องของร่างกายที่พวกเราได้มาเป็นสมบัติ เราไม่รู้กันหรอกว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันเป็นเพียงสมบัติชั่วคราวเหวือกับสมบัติต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถยนต์เป็นเสื้อผ้าเป็นข้าวของต่างๆเขาก็เป็นสมบัติชั่วคราวเขาอยู่กับเราได้ระยะหนึ่งแล้วเขาก็ต้องจากเราไป หรือถ้าเขามีอายุยืนยาวกว่าร่างกายเวลาร่างกายตายร่างกายก็ต้องจากสิ่งต่างๆไปแต่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายและมาครอบครองสมบัติต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายระคือใจใจของพวกเรานี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ไม่ได้เป็นอะไรไปกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ยังเป็นผู้รู้อยู่ยังเป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดยังเป็นผู้มีความคิดต่างๆสามารถสั่งการต่างๆได้ตามปกติแต่อยู่ที่ว่า ผู้รับสั่งนั้นจะสามารถทำตามคำสั่งได้หรือไม่ถ้าร่างกายไม่สามารถรับคาสั่งทำตามคำสั่งได้ร่างกายก็จะนอนอยู่เฉยๆ mm hmm. เช่นคนที่เป็นอมัอมพาตอัมพาตใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ร่างกายเปลี่ยนไปร่างกายไม่สามารถขยับขยืขย่นได้ใจจะสั่งให้ขยับมันก็ไม่ขยับ แต่ใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ใจไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเพียงแต่ว่าไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้จักว่าตนเองนั้นไม่ใช่ร่างกายเลยทำให้ใจนี้เกิดความว่าวุ่นขุ่นเบววขึ้นมา Đ เวลาที่ร่างกายไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใจได้ จสั่งให้ทำอะไรก็ไม่สามารถทำตามได้ใจที่ยังต้องไปทำสิ่งต่างๆอยู่คือใจที่ยังไม่สงบยังไม่หยุดนิ่งยังมีความอยากที่จะทำสิ่งต่างๆอยู่ก็จะมีความกังวนกระวายมีความกระสับกระส่ายมีความทรมานใจเพราะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่เคยทำได้เพราะไม่ได้ศึกษาถึงความจริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นคิดว่าสามารถทำอะไรตามใจได้ตลอดเวลาแต่ลืมไปว่าผู้ที่จะรับใช้คือร่างกายนี้หรือผู้อื่นเขาบางทีเขาไม่สามารถ รับใช้ทำตามคำสั่งของเราได้พอเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรได้ดงใจความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เป็นสิ่งที่เราป้องกัดได้เราห้ามได้ถ้าเรารู้จักควบคุมความอยากของเราถ้าเราสามารถหยุดความอยากของเราได้ ความทุกข์ความกวนใจก็จะไม่เกิดขึ้นเรายังสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายถึงแม้จะเป็นอมภพอมภาะาเจ็บไายได้ป่วยแต่ใจยังมีความสุขได้เหมือนเดิมถ้าใจรู้จักหักห้ามความอยาก ไม่ให้ความอยากนั้นเกิดขึ้นมาความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจทั้งในขณะที่อยากและไม่ได้สมใจอยากความอยากนี้จะสงบตัวลงไปชั่วคราวเวลาที่ได้ทำตามความอยากแต่ไม่นานความอยากนี้ก็จะฟื้นขึ้นมาอีก เบียบเหมือนกับไฟถ้าเราเอาน้ำมันราดลงไปในไฟตอนที่ราดลงไปใหม่ๆน้ำมันยังไม่ร้อนก็จะเป็นเหมือนน้ำก็จะทำให้ไฟนี้ดับลงไปชั่วคราวแต่พอน้ามันนี้ร้อนขึ้นมาแล้วไฟก็จะลุกกลับขึ้นมาใหม่และ รุกขึ้นมาแรงกว่าเดิมความอยากของเราเป็นอย่างนี้เวลาเราอยากแล้วเราก็เกิดความทุกข์ความกังวลกวายใจความทรมานใจพอเราได้ทำตามความอยากหรือได้สิ่งที่เราอยากแล้วความทุกข์ความกังวลกวายใจก็จะหายไปชั่วคราวจิตก็สงบตัวลงชั่วคราว แต่พอความอยากเกิดขึ้นมาใหม่ความทุกข์ความกังกวลกวายใจก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่เพราะว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งที่เราได้มาตามความอยากของเรานี้ไม่ได้ไปทำลายความอยากให้หมดไปหรือให้น้อยลงไปแต่กลับทำความอยาก ให้พิให้เพิ่มมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพวกเราจึงควรที่จะพยายามหักห้ามความอยากของเราด้วยการอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้คำสอนของพระองค์นี้ระงับดับความอยากภายในพระทัยของพระองค์ได้แล้ว จนกระทั่งไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์พระ อ, องค์มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้แก่พระทัยของพระ อ, องค์พระ อ, องค์จึงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นเช่นพวกเราที่ยังไม่รู้ความจริงอันนี้ เราไม่รู้ว่าความอยากของเรานี่แหละเป็นผู้ก่อเหตุเป็นผู้สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่เราเรามักจะทำตามความอยากเสมอแล้วเราก็ต้องมาทุกข์ทรมานใจเสมอตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราก็ได้ทำความทำตามความอยากมา มากมายกายกองแต่ความทุกข์ทรมานใจนั้นมันหมดไปจากใจของเราหรือเปล่าความอยากมันหมดไปจากใจของเราหรือเปล่ามันไม่หมดเพราะว่าการทํความทาตามความอยากนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทําให้ความอยากหมดไปแต่กลับทำให้ความอยากมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ วิธีที่จะทำให้ความอยากหมดไปก็คือต้องใช้การระ ง, งับความอยากและสิ่งที่จะระ ง, งับความอยากได้ก็คือปัญญาความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่จะทำให้เราเลิกความอยากได้เช่นท่านสอนว่ามีอยู่3ามประการด้วยกัน เราจะมองสิ่งที่เราอยากว่าไม่เที่ยงก็ได้คือไม่ถาวรได้มาแล้วไม่นานก็จะต้องเปลี่ยนไปหรือหมดไปหรือเราจะมองว่าเขาเป็นทุกข์ก็ได้ไม่ได้เป็นสุขเขาไม่ได้เป็นคุณแต่เขาเป็นโทษก็ได้เช่นถ้าเรา เราเราอยากจะดื่มสุราเราก็มองสุราว่าเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจของเราถ้าเราดื่มสุรามากๆร่างกายของเราก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะสุรานี้มีพิษที่จะทำให้กระเพาะตับไตนี้เสียหายได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะหยุดดื่มสุราได้ในระยะแรกๆก็อาจจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจบ้างเวลาที่อยากจะดื่มแล้วไม่ดื่มแต่ถ้าเรามองถึงประโยชน์ที่เกิดจากการไม่ดื่มคืออายุของเราจะมียาวนานขึ้นสุขภาพของเราจะดีขึ้น ถ้าเราไม่เชื่อเราไปที่โรงพยาบาลไปดูคนที่เข า, เ, าเจ็บไข้ได้ป่วยจากพิษสุราหรือไปตามวัดต่างๆที่เห็นคนตายด้วยโทษของสุรายาเมาเพราะนอกจากเป็นโทษกับร่างกายแล้วยังโทษยังเป็นโทษกับจิตใจด้วยเวลาดื่มสุราไปแล้วก็จะขาดสติ จะไม่สามารถควบคุมความคิดของตนได้จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ถ้าไปขับรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่เสียชีวิตได้แล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจถ้าไปทำให้ชีวิตของผู้อื่นนั้นสิ้นไปหรือชีวิตของตนเองสิ้นไป ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยหลักของเหตุผลด้วยหลักของความจริงว่าการเดือสร้อนนี้มีโทษมากกว่ามีคุณคุณนี้มีเพียงเล็กน้อยคือได้ระงับความทุกทรมานใจที่เกิดจากความอยากได้ชั่วข่าวเท่านั้นเองแต่โทษนี้มีมากกว่าหลายเท่าโทษทางกาย คือสุขภาพและชีวิตโทษทางใจก็คือจิตใจมีสติไม่สมประกอบและโทษทางด้านเศรษฐกิจก็คือเสียเงินเสียทอเสียเวลาท ร, ร ม, มาหากินคนที่เสีสุรามากๆจะไม่มีทางที่จะทำมาหากินให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้นี่คือการพิจารณาให้เห็นโทษ หรือให้เห็นโทษของสิ่งที่เราอยากถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะฝืนความอยากได้ยอมรู้ว่าถ้าเราอดไปสักระยะหนึ่งไม่นานเพียงไม่ถึงเดือนก็จะหายจากความทุกข์ทรมานใจถ้าเรามีเครื่องมือที่พระเจ้าทรงสอนมาใช้ประกอบด้วยคือการทำใจให้สงบ ก็จะบรรเทาความทุกข์ทรมานใจได้เช่นเวลาที่เราคิดอยากจะดื่มสุราเราก็เอาความคิดนี้มาคิดเรื่องอื่นแทนให้มาคิดบทสวดมนต์คือสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้สวดไปเรื่อยๆสวดไปจนลืมเรื่องการอยากจะดื่มสุราไปความทุกข์ทรมานใจก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราว ก็จะทำให้เราพอที่จะสู้กับความอยากได้แล้วพอเวลาผ่านไปความอยากครั้งต่อไปก็จะมีความเบาบางลงไปพราะกำลังของมันถูกเราตัดด้วยการไม่ทำตามความอยากด้วยการฝืนความอยากแล้วถ้าเรา อดทนต่อไปทำจิตให้สงบอยู่เรื่อยๆต่อไปความอยากสุราก็จะหายไปจากใจหลังจากนั้นแล้วเราก็เป็นอิสระเราไม่เป็นทาสของความอยากสุราอีกต่อไปจะไม่มีความอยากนี้มาสั่งให้เราไปหาสุรามาเดิมแล้วก็ให้เราไปทำตัวที่เสียหาย เพราะเวลาเราเดือบสุราจนมึนเมาแล้วอากับกิริยาต่างๆก็จะไม่เรียบร้อยไม่สวยงามเป็นที่น่ารังเกียจของคนทั่วไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เห็นว่าเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเห็นว่าเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเราก็จะสามารถที่จะตัดความอยากในสุรา และในสิ่งอื่นๆที่เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตจิตใจของเราได้หรือเราจะมองอีกแง่หนึ่งก็ได้คือให้มองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นได้มาแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปนานสักเท่าไหร่เช่นเราได้คู่ครองได้สามีได้ภรรยาบา ได้ภรรยามาเป็นคู่ครองอยู่ร่วมกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นสมบัติของเราไปได้นานสักเท่าไหร่เขาเปลี่ยนใจไม่อยากจะอยู่กับเราเขาก็ไปอยู่กับคนอื่นได้เขาก็ไม่ได้เป็นสมบัติของเราอีกต่อไปหรือเขามีสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องตายไป เขาก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วหรือถ้าเขาไปเกิดอุบัติเหตุเสียถึงแก่เสียชีวิตไปเขาก็ไม่ได้เป็นของเราเวลาเขาตายแล้วเราก็ไม่อยากจะเก็บเขาไว้ในบ้านอยากจะส่งไปที่วัดเพื่อทําการชารนตนกิต่อไปนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาเป็นสมบัติของเรา เขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงเพราะเราก็รู้ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนเวลาตายไปเขาก็กลับไปสู่เจ้าของเดิมของเขากลับไปสู่ดินน้ำลมไฟใจที่ฉลาดก็จะ คอยเตือนตอนเองเสมอว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราพร้อมที่จะให้เจ้าของเดิมเขามาเอาคืนไปเหมือนกับเวลาที่เราไปยืมของคนอื่นมาใช้เช่นไปยืมรถยนต์มาใช้เราก็รู้ว่าเราต้องคืนเจ้าของเข้าไปพอถึงเวลาเจ้าของเขามารับคืนไปเราก็คืนให้เขาไป โดยที่ไม่รู้สึกมีความทุกข์หรือเสียดายแต่อย่างใดเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของของเราฉันใดสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีครอบครองอยู่นี่ตั้งแต่ร่างกายของเรานี้ออกไปร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราที่แท้จริงพ่อแม่ก็ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ของเราที่แท้จริงพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดา ญาตสนิกมิสหายเขาก็ไม่ได้เป็นเป็นของของเราอย่างแท้จริงเขาเป็นของดินน้ำลมไฟท่านั้นร่างกายของทุกๆคนนี้เจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟเราได้ร่างกายนี้มาจากดินน้ำลมไฟเขามาผสมกันรวมตัวกันเป็นเป็นร่างกายนี้ขึ้นมามีอาการ32 แล้วพอร่างกายนี้หยุดทำงานเขาก็กลับคืนไปสู่เจ้าของเดิมเราต้องสอนใจของเราอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ตัดความอยากภายในใจได้เพราะในใจของพวกเราทุกคนนี้มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ เราไม่สามารถที่จะไปบังคับได้เพราะเขาไม่ได้เป็นของของเรานั่นเองเขาเป็นของธรรมชาติเหมือนกับลมที่พัดหรือแดดที่ออกหรือเมฆที่ลอยในอากาศเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถไปสั่งเขาได้ว่าให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราสั่งได้ก็คือใจของเรา เราสามารถสั่งใจของเราให้หยุดไปอยา ก, กับสิ่งต่างๆได้ไม่ให้ไปต้องการให้สิ่งต่างๆเป็นไปตายางความต้องการของใจได้สอนให้ใจรับความจริงกับสิ่งต่างๆคือให้ยินดีตามมีตามเกิดมีอย่างไรเป็นอย่างไรก็ขอให้มีความยินดีมีความพอใจ และมีความพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเราไปเพราะจะต้องมีวันนั้นเกิดขึ้นมาสำหรับทุกคนวันที่ร่างกายนี้หยุดหายใจแล้วเมื่อหยุดหายใจแล้วใจก็ต้องออกเดินทางต่อไปต้องจากร่างกายนี้ไปถ้ายังมีเชื้อของภพชาติถ้ายังมีความอยากอยู่ ใจก็ยังจะต้องไปหาสมบัติชิ้นใหม่คือหาร่างกายใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาอยากกับสิ่งต่างๆได้ได้สิ่งต่างๆมาครอบครองเป็นสมบัติแล้วก็มาทุกข์ทรมาร ก, กับสิ่งต่างๆที่ได้มาครอบครองเพราะ ใจจะมีความหวงจะมีความหวงและจะมีความเสียดายเวลาที่ต้องเสียสิ่งต่างๆที่หามาได้ถ้าเรามีปัญญาเราไม่อยากจะทุกทรมาน ก, กับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีเราก็ต้องสอนใจของเราว่า สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ใช่เป็นของเราและเป็นโทษเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเราไม่มีสิ่งต่างๆเราก็มีความสุขได้ใจของเรานี้สุขหรือทุกข์อยู่ที่สงบหรือไม่สงบอยู่ที่อยากหรือไม่อยากถ้าอยากใจก็จะไม่สงบ พอใจไม่สงบใจก็จะมีความทุกข์ถ้าใจไม่อยากใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุข ด, ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือการควบคุมใจของเราให้หยุดอยากความอยากต่างๆอย่าไปอยากไม่ว่าจะเป็นความอยากอะไรทั้งสิ้นกต็ตาม นอกจากความอยากที่จะหยุดใจเท่านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะมีถ้าอยากจะหยุดความอยากนี้เป็นเป็นความอยากที่ไม่เป็นโทษแต่ความอยากที่จะมีสมบัติเข้าของเงินทองอยากมีาลาภยศสรรเสริญอยากมีความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายอยากจะมีอายุที่ยืนยาวนาน อยากจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงความอยากเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อใจแต่การอยากที่จะหยุดความอยากด้วยการทําบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมความอยากเหล่านี้ไม่เป็นโทษเป็นคุณดังนั้นขอให้แยกไว้ว่ามีทั้งความอยากที่เป็นโทษและความอยากที่เป็นคุณ ความอยากที่จะเลิกความอยากทั้งหมดนี้เป็นคุณเช่นอยากจะทำบุญอยากจะศึกษาปฏิบัติธรรมอยากจะมาวัดมาถือศีลมานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาความอยากเหล่านี้เป็นคุณอยากแบบนี้แล้วจะดับความอยากทั้งหลายที่เป็นโทษได้หมดผู้ที่อยากแบบนี้เช่นพระพุทธเจ้าและพระ อาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็มีความอยากแบบนี้มาก่อนท่านถึงออกจากบ้านออกจากเรือนสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ออกบวชมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมากำจัดความอยากในลาบยศสารเสริญสุขตา่างๆให้หมดไปจากใจมากาจัดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บ ความอยากไม่ตายให้หมดสิ้นพอไม่มีความอยากเหล่านี้หลงเหลืออยู่แล้วใจก็มีแต่ความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของตนกด็ดีหรือสมบัติต่างๆที่ต น, นมีอยู่ก็ดีจะไม่มากระทบกระเทือนกับใจเลยเพราะใจไม่มีความอยากกับสมบัติต่างๆไม่มีความอยากกับร่างกาย พร้อมที่จะให้สมบัติต่างๆและร่างกายของตอนนั้นเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ให้เขาไปนี่คือเรื่องของเราคือใจของเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะดูแลรักษาป้องกัน ไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาให้ได้เพราะถ้าเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะอยู่ในความสงบอยู่เป็นสุขไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามจะไม่มากระทบกับใจของเราได้เลยเพราะใจของเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เป็นไปตามความจริงของเขาเขาจะอยู่ก็ให้เขาอยู่ไปเขาจะเจริญก็ให้เขาจเจริญไปเขาจะเสื่อมหมดไปก็ปล่อยให้เขาเสื่อมหมดไปเพราะเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้เขาไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงนี่คือวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ใจของเราเราจึงควรพยายามสอนใจเราเสมอ ด้วยการเอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และทรงนม า, ามาเอยแก่สั่งสอนให้กับพวกเรานี้มาสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆคือสอนให้เรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของของเราขอให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเราจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไร จะไม่อยากเป็นอะไรและจะพร้อมที่จะรับกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราและสมบัติของเราเมื่อเราพร้อมแล้วใจของเราก็จะสงบจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเบียดเบียน เ, ย, นเ ย, นยียดย่ำทาลายใจของเราได้เลยนี่คือหน้าที่ของเราคือการระงับ ดับความอยากต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้หมดสิ้นไปพอเราทำเสร็จทากิจนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปอยู่อย่างสบายไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจึงขอฝากเรื่องของการมะวัดเพื่อมาดูแลรักษาใจมาหักห้ามความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการให้ทานรักษาศีลและการภาวนาเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอ บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วกลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ